ต่อไปนะถ้าเจริญเป็นเทวตานุสติอนาถาบินทิกะทนอริยสัจอย่างนี้แหละนางวิสาขาเป็นต้นท่านก็เห็นอริยสัจอย่างนี้แหละฉะนั้นเราก็เอามาเจริญเป็นเทวตานุสติก็ได้เนี่ยนะแล้วก็น้อมมาว่าเฮ้เราเนี่ได้หรือยังนะเทวดาท่านฟังธรรมเราก็ฟังเหมือนกันว่าได้ตรงนี้นะแต่เทวดาที่ท่านรู้อริยสัจนี่เรายังไม่ได้นะ ก็เอาเฉพาะเท่าที่ที่เราได้แต่ว่าฝึกน้อมมาเจริญยังไงก็ได้เนี่ยน้อมไปเจริญเป็นพุทธคุณก็ได้ทรมคุณก็ได um, ้สังคคุณก็ได้เนี่ยนีทีนี้ถ้าไปเจริญศีลานุสตินะบอกหูศีลนะถ้าที่ใครจะบรรลุอย่างนี้ต้องศีลดีจริงๆถ้าศีลไม่ดีจะบรรลุอย่างนี้ได้ยังไงกลายเป็นเห็นอนิสงส์ของศีลไปอีกไงไหมก็เจริญเป็นศีลานุสติก็ได้เนี่ยก็แล้วแต่จะน้อมไปจริงๆนะสิ่งเดียวกันเนี่ยน้อมไปเจริญเป็นอนุสติก็ได้หรือจะน้อมไปเจริญเป็น เป็นวิปัสสนาก็ได้เพราะว่าตัวชรามรณะชาติพบอุปาทานตัมหาสลายตระนะเป็นต้นพวกนี้เป็นทุกข์สัต์เป็นทุกขสัตว์ใช่ไหมก็ตามเห็นทุกข์เหล่านั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศอนเป็นความลําบากเนี่ยนะเป็นความเจ็บไข้เป็นฝ่ายอื่นเป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นของที่แตกสลายไปเป็นธรรมดาเป็นต้นถ้าตามเห็นแบบนี้มากๆอ่ะก็เป็นการเจริญ วิปัสนาไปเนี่ยนะก็ไข้ครวนแต่อย่าลืมว่าอย่างเดียวนยบรรลุไม่ได้หรอกเนี่ยนะรู้สิ่งเดียวเนี่ยนะรู้บรรลุไม่ได้ถ้ารู้สิ่งเดียวแล้วบรรลุได้คือรู้อริยสัจแต่ว่าอริยสัจก็ต้องแยกมาเป็นสี่ข้ออีกนั่นแหละเนี่ยนะงั้นใครอยากได้ย่อๆก็ต้องทำบุญเท่ากับพระนางเขมานะที่พุการเล่าเช้าอยู่ในวังแต่งตัวสวยสายมาก็าบรรลุแล้วเนี่ยนะ อดีตชาติเนี่ยพระนางเขมาเนี่ยนะอยู่ในเมืองพาราณสีมีพ่อชื่อว่าพระเจ้ากิงกิพระเจ้ากิงกินี่เป็นพระโสดาบันลูกทุกคนนี่อยากบวชกันหมดเห็นไหมพ่อไม่ยอมให้บวชเนี่ยนะด้วยเหตุผลหลายประการเนี่ยนะก็ไม่ยอมให้บวชไม่ยอมให้บวชก็สร้างวัดเนี่ยนะเป็นเจ้าของสร้างวัดหนึ่งแล้วก็ศึกษาธรรมะอยู่ตลอดชีวิตเนี่ยนะตลอดชีวิต น, นี้นี่เฉพาะกับนี้นะ แต่ว่าจริงๆแล้วนางสร้างทำบุญมาแสนตับแล้วเนี่ยนะเพื่อจะเป็นเอตตะคะเนี่ยนะของเราก็จะเอาแต่ภาคจบอย่างเดียวนะจะเอาแต่ตอนเข้าประสบความสำเร็จนะถ้าเป็นนักฟุตบอลก็จะตอนจะเอาแต่ตอนที่เ็าโชว์ไอ้ถ้วยนั่นแหละ <c oughs> ไอ้ตอนที่ไปฝึกซ้อมถูกเขาเขกมาเนะี่ยจำไม่ไดนะไ้ไม่อยากรู้ทั้งนั้นนละ ถ้าลักษณะของปฏิบัติศาสนานะในในเอกสารเล่มเดียวกันเนี่ยดูตั้งแต่นหน้านหนึ่งเป็นต้นไปเนี่ยจะเห็นถึงปฏิบัติศาสนาชัดเจนเลยหน้านหนึ่งเลยเนะในในในปฏิสัมพิธาเล่ม น, นี้นะจะกล่าวถึงลำดับของการปฏิบัติเนตั้งแต่ว่าคือข้อสองข้อสองเลยนะว่าปัญญาในการฟังแล้วสังวรไว้เป็นศีระมยายานตัวการสังวรตามที่ฟังมาได้นั่นแหละเป็นศีรมยาหยาน ทีนี้ผู้ที่สังวรเนี่ยนะแล้วก็ตั้งจิตเอาไว้เป็นอย่างดีอันนั้นเป็นภาวนาเมยญาณสมาธิภาวนามยญาณเนีนะ่ยแหละแล้วก็กําหนดปัจจัยการกําหนดปัจจัยได้นั่นแหละเป็นธรรมติติญานการย่อธรรมทั้งหลายท้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันกําหนดโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหรือโดยอันตรใจัยปรุงแต่งอาศาัยกันเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาอันนั้นแหละเป็น สัมมาสนาญาณนั้นปฏิบัติศาสนาเนี่ยเริ่มตั้งแต่สีละมียาญาณเป็นต้นก็คือการใส่ใจในคําสอนนั่นเองอย่างเราฟังเรื่องสุดจริตสามอันนี้ก็เป็นปรยิยติศาสนาที่สอนเรื่องสุจริตสามไแล้วเราเจริญสุดจริตสามได้นั่นแหละเป็นปฏิบัติศาสนาคําว่าศาสนานเนี่ยบางทีก็เป็นเป็นคําชื่อเป็นชื่อของไตรสิกขานี่นะว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะว่าโดยย่อโดยสังเขปก็คือ ไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาเมื่อใดที่น้อมจิตไปเป็นไตรสิกขาเมื่อนั้นแหละเป็นปฏิบัติศาสนาคือการน้อมจิตให้เป็นไตรสิกขาเราจะเรียกว่าโยนิโสมนัสิการก็ได้อยโยนิโสมนสิการเนี่ยเป็นชื่อของอาวัชนะทุกคนนี่มีชีวิตกันเลยใช่ไหมเอาพูดง่ายๆถามง่ายๆก่อนนะทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าทุกคนมีชีวิตกันถามว่าตอนนี้เป็นศีลข้องงดเว้นจากปานาติบาตไหม เป็นถ้าเป็นก็อยู่ที่น้อมไปคิดถึงศีล น, น้อมไปคิดว่าเออเนี่ยชีวิตติทรีเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งเจตนาปาคือปาน า, าติบาสนะงั้นเราขอ ง, งดเว้นจากปาน า, าติบาันนี้แหละเป็นศีลสิกขาทุกคนก็มีทรัพย์กันมาใช่ไหมมีสตังมาใช่หจะเป็นศีลของเราได้หรือไม่ที่ตั้งของศีลเราได้หรือไม่เราจะให้ความปลอดภัยกับทรัพย์ศินของทุกคนเนะ่ เราจะไม่น้อมเอามาเป็นของตนเลยนะแม้แต่โดยจิตจะคิดก็ไม่เอาเนี่ยอันนั้นแหละเป็นอธินนาทานเจตนาน้อมไปคิดได้ฝ่ายหญิงก็คิดไปหาทางชายก็ได้ชายก็คิดไปหญิงก็ได้ในการมสุมิษฐารเป็นต้นเนี่ยนะสามารถน้อมเอาไปคิดได้ไอตัวอาวัชนะเนี่ยมันสําคัญที่สุดเนี่ยนะตัวที่ทเรียกว่ามณสิกามถึงคํานึงถึงเพราะฉะนั้นในศีละมัยญาณหรือศีละสิกขาเป็นต้นเนี่ยเมื่อนึกถึง ชื่อว่าสิกขานะเมื่อเมื่อนึกถึงก็จะรู้ก็ชื่อว่าสิกขาเมื่อรู้ก็จะเห็นเห็นตามที่ว่าเนี่ยก็ชื่อว่าสิกขาเมื่อรู้เมื่อเห็นเมื่อพิจารณาพิจารณาตัวศีลบ่อยๆก็ชื่อว่าเป็นสิกขาแล้วอธิษฐานจิตให้มียิ่งยิ่งขึ้นไปอธิษฐานว่าสิกขาเหล่านี้ต้องมั่นขึ้นมั่นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะอันนี้ก็เป็นสิกขาแล้วก็น้อมจิตไปด้วยเอ่อคือเรียกว่าน้อมไปด้วยศรัทธาประคองความเพียรตั้งสติมั่นตั้งจิตมั่น รู้ชับด้วยปัญญาสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิกขาเมื่อแยกแยะ ก, กําหนดรู้ะละเจริญทําให้แจ้งพวกนี้ก็เป็นสิกขาเพั้นความประพฤติความตั้งใจประพฤติพวกนี้ก็เป็นสิกขาเพานั้นการเจริญสิกขาสามนั่นแหละเรียกว่าเป็นการปฏิบัติสัจธรรมเนี่นะ ก, ก็แล้วแต่เราจะน้อมไปเจริญได้หรือไม่คือของบางท่านบอกว่า ก็ขณะที่เจริญปัญญาเจริญวิปัสสนามันก็มีทั้งศีลสมาธิปัญญาอยู่แล้วอย่างอัตถะของคำว่าศีลนะครับการไม่ก้าร่วงเนี่ยพวกวิปัสสนาญาณทั้งหลายมันก็เป็นการไม่ก้าวล่วงก็เป็นศีลเหมือนกัน น, น, นั้นถ้าจะกล่าวว่าขณะที่พิจารณานามรูปหรือว่าระลึกรู้นามรูปก็เป็นเรื่องของการที่มีศีลแล้วก็ขณะนั้นมันก็มีสมาธิแล้วก็มีปัญญาด้วยเป็นการอบรมไตรสิกายานี้ยครับ คือถ้าถ้ากล่าวโดยชันนะถ้าเรามองเป็นมองเป็นคนสร้างตึกสามชั้นเนี่ยนะเขาบอกว่าเขากําลังสร้างตึกชั้นที่สองอยู่ก็เท่ากับบอกว่าชั้นหนึ่งเาสร้างเสร็จแล้วใช่ไหมไอ้ชั้นล่างอะนะทำเสร็จแล้วถ้าเขาบอกว่าเขาสร้างชั้นที่สามอยู่ก็แสดงว่าหนึ่งสองเนี่ยดีคนที่พิจารณานามรูปนะถ้าถ้ากล่าวในโลกที่เป็นจริงเลยนะเนี่ยมองเห็นผมเนี่ยพิจารณาเป็นนามรูปยังไง ต้องขณะที่พิจนารณาต้องไม่ตกไปในฝ่ายแห่งราคะต้องไม่ตกไปในฝ่ายแห่งโทสะถ้าตกไปในฝ่ายราคะเป็นอภิชาถ้าตกไปในฝ่ายแห่งโทสะเป็นพยาบาทถามประคองจิตให้มันมันได้แล้วพิจนารณาเป็นอสุภะเนี่ยทาได้ยังไงเอาอะไรมากัน้นศีลเนี่ยกั้นโทสะสมถะกัน้นราคะเนี่ย แล้วก็ตัวปัญญาเนี่ยเป็นตัวพิจารณาที่ที่ไม่มีราคาโทสะเนี่ยขวางกั้นเั้นใครที่บอกว่าเขาเจริญเขาพิจารณาอยู่ได้ถ้าเขาทําได้จริงเขาก็บอกว่าเขาทําได้อ่ะคือเขากันไม่ให้ราคะเกิดได้เขากันไม่ให้โทสะ เ, เกิดได้เพราะฉะนั้นกิจของศีลคือกัน้นโทสะกิจของสมถะกัน้นราคะเนี่ยนะเขาก็เท่ากับอบรมปัญญาได้เนี่ยนะแต่แต่ว่า ถ้าพูดนั้นกล่าวด้วยความสุดจริตใจจริงก็ไม่น่ามีปัญหาเออถ้าจะกั้นราคะกั้นโทสะอย่างนี้จะรู้ราคะโทสะได้ยังไงครับก็ตอนนี้จะพิพจารณาผมไม่ใช่เหรอที่พูดเมื่อกี้เอางั้นก็มาพิจารณาราคะอีกแล้วมันก็กลายว่ามันไล่อย่างนี้ไปเรื่อยมันก็เลยไม่มีจบเป็นสำนวนว่าถ้าสมมติาราคะเกิดนะทำยังไงจะไม่ให้มีเรียกว่า ไม่ให้ชอบในราคะอันนั้นอีกแล้วก็ไม่ให้ชังในราคะอันนั้นเหรอคิดยังไงก็รู้ว่ามันเป็นธรรมะไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์รักษาได้ทุกโรคเลยนะยาตัวเนี้ก็ยังมียังมีคนติดเยอะนะครับก็เนี่ยเดี๋ยวเรียนเนี่ยปฏิสัมพิทาเนี่ยข้อปฏิบัติเพื่อปัญญาแตกฉานเนี่ยคำนี้อยู่ในบทไหนเอ้น ถ้ามีสักบทนะโอ้โหเก่งมากนะมีไหมว่าอย่างที่ว่าอย่างที่อาจารย์ว่าเมื่อกี้นั้นในคัมภีปฏิสัมพิธาเนี่ยเล่มเนี่ยพันกันหน้าเนี่ยในนี้ไม่มีแต่ว่าในสติวอฐานนี่มีปัญญชนะว่าจิตมีราคะก็รู้ชัดว่าจิตมีราคะก็เลยเอาปัญญชนนั้นเนี่ยมาปฏิบัติใช่ก็ถ้าว่าให้เต็มเลยนะพงกล่าวว่าถ้าเป็นภายยะสูตรนี่บอกเลยว่า หรือที่อื่นบอกว่าถ้าจะเจริญสติปัฏฐานเนี่ยนะว่าเธอให้ตั้งอยู่ในศีลกับทิฏีิที่ตรงก่อนแล้วจึงเจริญ อ, อสติปัฏฐานนี่นะเพราะถ้าศีลไม่ดีเนี่ยนะถามว่าการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยถ้าจะเอาตามสู่จริงๆท่านเจริญเป็นปีๆเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่แค่ว่าระลึกรู้นิดหน่อยเนี่นะไม่ไม่พออยู่แล้วอย่างการพิจรารณา ตัวตัวรู ป, ปรธรรมเนี่ยนะเน้นพิจารณาเพื่ออะไรถ้าวัตถุประสงค์ของสติปัฏฐาน mm hmm. เพื่อกำจัดสุภาวิปลาส mm hmm. เพื่อกำจัดราคะถ้าพิจารณาตัวจิตจริงๆเนะ้นวัตถุประสงค์เพื่อ mm hmm. กำจัดนิจวิปลาสที mm hmm. นี้ถ้าเราบอกว่าเราเนี่ยราเลือกรู้จิตแล้วละวิปลาสตัวนั้นได้ไหมถ้าละวิปลาสตัวนั้นไม่ได้ ก็ไม่น่าใช่อ่ะก็ก็ไม่ใช่เพราะฉะั้นวัตถุประสงค์ของคําสอนนะมีการกําจัดราคะโทสะโมหะได้เป็นที่สุดแต่คําสอนก็บอกไว้ในเดียวขณะเดียวกันว่าศีลกําจัดโทสะเนี่ยนะแล้วก็สมาธิกาจัดราคะปัญญากําจัดโมหะแล้วปัญญาเนี่ยนะอย่างเบาที่สุดรู้อะไรกรรมสกตาถ้าระ ล, ลึกรู้จิตแล้วเป็นกรรมสกกตาข้อไหน อันนถ้าถ้าถ้าเราตั้งโจทย์สนทนาแบบธรรมดาธรรมดานี่แหละนะที่ไม่ได้ใช้หลักวิชาอะไรลึกซึ้งเลยนะว่าเนี่ยจิตมีราคะเราก็รู้ว่าเราเนี่ยจิตมีราคาเยมาถ้าถ้าถ้าธรรมดานะถ้าที่บายได้เท่านี้จริงๆริงโอ้สู้นักแต่งเพลงไม่ได้หรอก เขาแต่งเพลงเห็นอะไรสักอย่างเขาบอกเขาชมมูมันสวยเหมือนดาวเหมือนเดือนเหมือนอะไรก็ ว, ว่าปะเออนี่ยนะอุปมาได้วิจิตพิสดารมากเพื่อจะชมไ อ, ไอโลผ้ของเขาตัวนั้นอะ่ะเนี่ยนะแล้วก็ประกอบอาชีพได้สบายเลยแต่ของเราเนี่ยถ้ารู้แค่นี้ถามว่าพอไหมที่จะพ้นทุกเนี่ยนะพอไหมที่จะดับวะตะเนี่ยนะไม่พอเนี่ยนะเพราะไม่พอจริงๆนั่นแหละพระองค์จึงสอนไว้อย่างอย่างมากอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะถ้าระดับฐานะปริญญา ตามเห angels, ็นจิตอันนั้นไม่เที่ยงไม่ใช่ตามเห็นโดยความเป็นของเที่ยงต้องเป็นระดับปัญญาปริญญาแล้วนะตามเห็นโดยความเป็นทุกข์ไม่ใช่เห็นโดยความเป็นสุขตามเห็นโดยความเป็นอนัตตาไม่ใช่เห็นโดยความเป็นอัตตาเห็นโดยความเบื่อหน่ายไม่ใช่เพลิดเพลินตามเห็นมุ่งจะดับทํายังไงจะจิตเนี่ยนะถ้าคนที่วิเคราะห์ดีจริงๆจะรู้โดยทั้งกุศลอกุศลวิบากกิริยาชาติที่เขากลัวที่สุดเนี่ยชาติไหน ชาติวิบากที่จะนําปฏิสนธิหนที่ต่างๆไอ้รมที่จะนอะอะตัวไหนที่นําปฏิสนธิในที่ต่างๆกุศลชาติและอกุศลชาติทําไมากุศลจึงให้ผลนําเกิดทําไมกุศลจึงให้ผลนําเกิดหรืออกุศลให้ผลนําเกิดได้เพราะอะไร <S <S เพราะกิเลสชาติที่มันเกิดอยู่ร่วมในอกุศลชาตินั่นแหละแล้วจะดับมันได้ยังไงเนี่ยนะก็สาวโดยความเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยนะเมื่อวานก่อนเนี่ยไปดู ดูแม่น้ำเห็นไหมมันไหลที่ภูเขาอนะมันก็ไหลซอกไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเนี่ยนะทีนี้ถ้าลองใครตกลงไปในน้ํานั้นอ่ะที่ที่เหมือนกับน้ําตกตลอดซ้ายเนี่ยนะถามว่าถ้าตกลงไปเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นก็ <misschien> ตกก็ตายตายสมมติถ้าตายแล้วเกิดโตเด็กก็ตกไปอีกนะไปอย่างนี้เรื่อยเรื่อยเื่อยตลอดไปเนี่นน ย, งง ย, ย, ย, ยนะถามว่าวิธีที่จะพ้นทุกเนี่ยทํำยังไงก็ขึ้นฝั่งซะเห็นไหม ถ้าไม่ขึ้นฝั่งนะยังไงก็ตกตัวอยู่ต่อไปอ่ะเพราะน้ํามันพัดไปเรื่อยอ่ะไม่ย่อไม่หยุดนิ่งหรอกน้ํามันทัดไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเพราะฉะนั้นถ้ายังเพลิดเพลินในขันห้าขันห้าก็มีจุติปฏิสนธิเป็นไปตามกรรมอย่างนี้ไปด้วยถามว่าทายังไงจะพ้นจุติและปฏิสนธิบอกว่าท่านจงกัดฉันทราค่าในขันห้าเสียเถิดเห็นไหมที่พระองค์สอนเช่นสูตรที่บอกว่าสูตรที่ว่าด้วยไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเนี่ยนะณนะตมหาตุกะสูตรเนี่ย ขันห้าไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละฉันทราคะในขันห้าเสียนะฉันทราคะที่เธอละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขเพราะตัวเหตุของการนำเกิดจริงๆคือตัวฉันทราคะเนี่ยนะก็ความเพลิดเพลินเกิดที่ใดทุกเกิดขึ้นที่นั้นนะดอกไม้สวยไหมสวยก็ไม่เป็นไรก็ได้ตาไอ้คู่หนึ่งนะ เพลงเพราะไม้แต่เพราะก็ได้หูอีกคู่นึงก็ว่าไปตามนั่นไปเรื่อยไหมอาหารอร่อยไหมก็ได้ลิ้นกี่แฉกนี้ไม่เอาฮะเป็นแชกแชกไม่เอานาะเมือ่อกี้นี้นะฮะยังสนใจอยู่ครับที่บอกว่าเออเมื่อจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะอันนี้เนี่ยคําว่ารู้เนี่ยภาษาบาลีว่าไงครับคําว่ารู้ในที่นี้แปลว่าประชานาติเนี่ยนะเอ่อ ประชานาติเนี่ยแปล ว, ว่ารู้ชัด